ผมร้องรับ <rôle> ก <à> ็จะดูรนรนหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ผมเข้าครัวทำหลนแล้วล้วก็รับรองอร่อยปินไม่เหมือนใครแน่นอนป่ะไปเข้าครัวกันครับผมร้องรับก็จะดูรนๆนหน่อยนะครับแต่ถ้าให้ผมเข้าครัวทำหลนแล้วล้วก็รับรองอร่อยปิ้นไม่เหมือนใครแน่นอนปะไปเข้าครัวกันครับ